พอได้โปรดตั้งใจฟังธรรมการศึกษาธรรมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้มีการศึกษาแหละมีความเข้าใจในธรรมะมากพอสมควรแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในวงแคบจนเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกฝนอบรมธรรมะหรือการที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตรประจำวันนั้นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมะจะขอนำธรรมะอันเป็นส่วนสภาวธรรมสภาวธรรมนี้ เราจำกัดความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติส่วนใหญ่ของสภาวธรรมอยู่ที่กายกับใจกายกับใจเป็นสภาวธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติส่วนประกอบของกายกับใจ ก็มีตาหูจมูกเล่นกายแหละใจสิ่งที่จะพึ่งผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมมารมในเมื่อกายกับใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกเล่นกายใจก็เป็นสภาวะธรรม สิ่งที่ผ่านเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นสภาวธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเตรื่องละลึกของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาความรู้ทกสาขาวิชาหรือทุกศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็เป็นสภาวธรรมเหมือนกัด ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมได้ยินด้วยหูใช่ไหมได้สัมผัสด้วยกายคือการขีดเขียนใช่ไหมแล้วจิตของเราเก็บเอาไว้เป็นภูมิความรู้จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชน สามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นตามบุทินั้นๆได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นจึงได้เชื่อว่าสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่อง ล, ลึกของสติด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในแนวทางที่จะนำธรรมะ เข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเอามาวิตกขึ้นมาเป็นอารมณ์คู่ของใจเอาใจู้ไว้กับสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านเรียนมาถ้าสมมติว่า ท่านเรียนมาทางสายวิชาแพทย์ท่านเคยวิจัยวิจารณ์สรีระร่างกายของคนไข้หรือทราบศพที่ท่านเคยผ่าตัดวิจัยวิจารณ์มาเพื่อเป็นความรู้ตามขั้นตอนที่ท่านเรียนมาแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ โดยกำหนดพิจารณาตามแนวทางที่เรียนมานั้นจนสามารถทำจิตของท่านให้คล่องต่อการพิจารณาในเมื่อเป็นเช่นนั้นโดยหลักธรรมชาติของจิตแล้วในเมื่อจิตมีเครื่องรู้แล้วสติมีเครื่องระลึกย่อมเกิดความสงบขึ้นมาได้ การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเคสพิจารณาซ้ำๆ ซ, ซากๆอยู่นั้นจนรู้สึกว่าจิตของท่านคล่องต่อการพิจารณาแล้วย่อมจะเกิดมีความสงบมีปีติมีความสุข สามารถดำเนินจิตเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเป็นต้นเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการปฏิบัติแบบนี้หรือการพิจารณาธรรมะแบบนี้เข้าใจว่าจะไม่มีอุปสรรคอันใดขัดขวาง เมื่อเวลาท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องไล่ขงสติต่างใจกำหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาเซิงท่านสามารถที่จะจดจำสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างฟางพิสดารเพียงใดแค่ไหน พิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่านที่เรียดมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาท่านทำงานเอาจิตไปจดจ้องอยู่ที่งานจะเป็นงานอะไรก็ได้เอาจิตไปรู้อยู่ที่งานที่ท่านทำเอาสติไประลึกอยู่ที่งานที่ท่านทำ ด้วยความจดจ้องด้วยความตั้งใจเจ ต, ตสติอย่าให้พลากจากกันให้จดจ้องอยู่ที่งานที่ท่านทำนั้นแล้วงานนั้นจะกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่อง ล, ลึกของสติเป็นฐานสร้างสติให้เป็นมหาสติปัฐานได้สามารถที่จะยังสมาธิ ให้มีปีติมีความสุขและมีความสงบละเอียดไปตามขั้นตอนของสมาธิได้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจว่าจะเหมาะสมกับนักศึกษาและนักธุรกิจตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกีย่ยวกับการอบรมจิตอบรมสมามฐาน เช่นจะเป็นเพราะว่าพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้การอบรมสั่งสอนท่านเรียนมาแต่ในสายศาสนาในสายธรรมะบางทีท่านอาจจะเข้าใจว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นไม่ใช่ธรรมะที่ควรเป็นคู่ของใจหรือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่านจึงได้อบรมสั่งสอนแต่บริกรรมภาวนาบ้าง หรือให้สร้างอะไรเป็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มุ่งตรงต่อการเห็นรู้ต่างๆซึ่งเป็นภาพนิมิตหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมาในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในวงแคบมากเกินไปแม้ว่าผู้ภาวนาอาจจะสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรขึ้นมาได้ก็าตาม หรืออาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆก็ตามหรือสามารถที่จะทำจิตให้บรรดาเกิดภูมิความรู้ขึ้นมามากมายก่กองสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นเป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติไม่ยึดเอาตัวสติ ที่มีความมั่นคงซึ่งสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ภายในจิตทั้งภายนอกและภายในได้ก็ยังเชื่อว่ายังจับปรับการปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราฝึกฝนอบรมแล้วที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในจิตการงานต่างๆได้ เพียนอย่างจะใช้พลังจิตในการศึกษาใช้พลังจิตในการวิจัยอะไรต่างๆหรือใช้พลังจิตในการทำงานคือความมีสติจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดตลอดทุกอิริยาบถมีสติตามรู้ตามเห็นตามทันความเคลื่อนไหวกายวาจาและใจได้ตลอดเวลา อันนี้ต่างหากซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการในการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติโดยแนวที่วิตกถึงวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วเอามาเป็นอารมณ์ของใจทำสติทำจิตรู้อยู่ที่สิ่งนั้นแล้วทำสติู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยจิตกับสตินี้ไม่ให้พลากจากกัน จนสามารถค้นคิดพิจารณาทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ผลที่จะพึงได้หนึ่งทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่ท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจางแจ้งยิ่งขึ้นและพิศดานกว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใด จิตของท่านจะไปจดจ้องสติของท่านจะตามรู้ตามรู้สิ่งที่ท่านคิดแล้วความคิดของท่านจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมรรถภาพของจิตของท่านสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่การค้นฟ้าพิจารณาสิ่งที่ท่านต้องการรู้ได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นผลอันหนึง่ง ประการที่สามสามารถทำจิตของท่านให้สงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขประการที่สี่สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจของท่านเองได้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ญหางานการที่ท่านทำหรือรับผิดชอบอยู่ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในการปฏิบัติต่งที่กล่าวมาแล้วนี้ อาตมะขอให้หัวข้อว่าการปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานชนิดที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพราะเราเอาวิชาความรู้และงานการที่เราทำอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอะไรก็ได้มาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติรวมความแล้วว่าคัานคิดอะไรทำส ต, ติ ท่านทําอะไรก็ทําสติท่านพูดอะไรก็ทําสติทาสติอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อท่านอบรมสติของท่านให้มีสมรรถภาพแข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถสร้างจิตให้เกิดความสงบและมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆ ในขั้นแรกก็สามารถจะมีสติเพียงแค่ยับยัง้งในเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าสติตัวนี้เพิ่มกําลังขึ้นเป็นสติพละก็สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าสติเพิ่มกําลังขึ้นเป็นสตินสัย ในเมื่อมีเรื่องราวเกิดอะไรเกิดขึ้นภายในจิตทั้งภายนอกและภายในจิตของท่านจะสามารถปฏิวัติไปสู่การค้นฟ้าพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินาอยู่จิตของท่านมีสติเป็นผู้นําถึงเรื่องอะไรภาพสติมันจะตามทัน ทุกอิรยาบุตรทุกลมหายใจสติจะมาจดจ้องอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแหละใจเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาสติจะรู้ทันทันทีนอกจากจะรู้ทันแล้วยังสามารถจะวิจัยวิจาร์เรื่องนั้นๆให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้เป็นที่พอใจวันนี้ขอเสนอแนะวิธีธทมสมาธิ โดยเอาอารมณ์ในปัจจุบันหรือเอาวิชาวความรู้ที่ท่านเรียนมามาเป็นอารมณ์และพร้อมๆกันนั้นท่านไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นของปฏิกูลสิ่งนี้เป็นของน่าเกลียดสิ่งนี้เป็นของโสโครกไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งนั้นแม้เรื่องราวที่ ไม่มีคำว่าธรรมะเจื่อปนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างเลึศซึ้งลงไปขอตั้งปัญหาถามว่า ที่ท่านเรียนวิชาความรู้มาทุกสาขาวิชาตามที่ท่านเรียนจบมาแล้วท่านอาศัยการดูด้วยตาใช่ไหมการเห็นด้วยตาคือการอ่านการได้ยินด้วยหูคือมีผู้สอนการสัมผัสด้วยกายคือใช้มือเขียน ถ้าสิ่งนั้นมีสีกลิน่นมีกลิน่นท่านก็สัมผัสรู้ด้วยจมูกและลิน้นแล้วจิตของท่านเก็บเอาไว้เป็นความรู้สะสมความรู้ไว้จนกระทั่งสามารถมีภูมิความรู้อยู่ในระดับปัญญาชนจนสามารถเอาวิชาความรู้นั้นไปสอบเอาใบ ป, ประกาศนิยบัติ ตามขั้นภูมินั้นๆที่ท่านเรียนผ่านมาดังนั้นในฐานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเห็นด้วยตาเราได้ยินด้วยหูเราสัมผัสด้วยกายและเราจดจำไว้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมซึ่งได้ในคำว่าสัพเพธ ร, รมาอนัตตา คำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นแม้ว่าคำว่าธรรมะจะไม่มีเจือคนอยู่ก็ตามถ้าหากว่าท่านพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือความภาคเพียนพยายามน้อยเท่านั้นเอง วันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้แล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแนวทางดังที่ได้เสนอแน่นี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าจะกรุณาจดหมายให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพราะในสมัยปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าใครๆก็อ้างว่ามีอุปสรรคบ้างละงานมากบ้างละเพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้และงานการที่เรียนม า, าแต่ละทำอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นาาัตตาตามพระไตรลักษณ์ได้ ในเมื่อหูตาจมูกเล่นกายใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจก็ย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยึดเป็นหลักคือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึก แม้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรู้อยู่เพียงอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างขวางพิสดารออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากคติไว้สำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอํานาจแห่งคุณ ประสีรัช น, นาตรัยจงดลบดานให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแข่นี้ดินคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราความรักความเมตตาปรานีต่างๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราว่าเรารักกัน แต่เมื่อเรามาภาวนามีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงบ้างความรู้สึกอันนั้นมันจะเปลี่ยนไปทันทีความรักที่เจือปนด้วยราคะโทสะโมหะอะไรนั่นมันจะหายไปยังเหลือแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปลาณีเราสามารถที่จะทําดีกับคนที่ทําดีทุกคนในความรู้สึกของนักภาวนาจะต้องเป็นดังนี้ และจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนใจเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อเป็นโลกที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นโลกที่ควรจะรีบเร่งทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิถีชีวิตของนักภาวนาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ย ก็หมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของจิตคือความรู้สึกของเราว่ามันเป็นอย่างไรในเมื่อจิตของเราอยู่ว่างๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่มันเป็นอย่างไรในเมื่อมันไปรับรู้อารมณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นความยินดีและความยินร้ายแล้วจิตของเราผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นหรือไม่ ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นๆมีอาการคล้ายๆกับว่าทำท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องแน่คำว่าวางเฉย ต, ตามหลักของสมาธิที่เรียก ว, ว่าเอกข้าตากับอุเบกขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหน เถอยอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถูกเถอยแต่ว่ามีความสนใจรู้ซึ้งอยู่ในสิ่งที่ได้พบเห็นในเมื่อต้องการจะพูดจะคิดอะไรมันจะเป็นเรื่องเป็นราวรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาทันทีอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตภูมิใจของนักภาวนาที่ถูกต้อง าหากว่าภาวนาเป็นสมาธิหลับหูหลับตาไม่มองดูโลกภายนอกอันนั้นภาวนาแล้วมันจะทำให้โลกเสื่อมพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องแน่ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการทำสมาธิแล้วต้องสลัดทิ้งโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็คงไม่เสียสละความทุกข์ยากลำบากเด็ดเลยส่วนพระองค์มาแสดงธรรมเพื่อโปรดพวกเราําสอนก็คงไม่มีเหลือค้างอยู่ในโลกแล้ว เพราฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความรู้อริยสัจจะทำตั้งสี่ทุกสมุ ท, ทัยนิโรธมักตามเป็นจริงประการที่สองพระบริสุทธทิ์คุณกายว่าจาใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ประการสุดท้ายพระมหากรุณาที่คุณทรงสลาความทุกข์ยากลําบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงถามโปรดเวนยสัตว์ถ้าหากว่า ที่ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์ที่ควรรับพระธรรมเทศนาจะใกล้ไกลแสนไกลสักปันใดก็เสด็จไปโปรดทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไม่เอาไหนพระองค์ก็จะไม่มีคุณสมบัติให้เราได้ศึกษาเ ร, าเรียนหรือได้พัรณาคุณของพระองค์มาตราเท่าทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราทำแล้วมันเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ถูกแต่ถ้าสมาธิที่เราทำแล้วมันเอาสังคมหรือเอาเรื่องของโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องรองละลึกแล้วพยายามทำประโยชน์ให้มากๆนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องธรรมะตามหลักคำสอนที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน เวลาเราทำสมาธิให้จิตสงบจนกระทั่งว่ากายไม่มีเหลือปรากฏในความรู้สึกในขณะนั้นถ้าเราจะรู้ทำเห็นทำมันก็มีแต่เพียงปรากฏการเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั่นคืออะไรจิตมันไม่เรียกเพราะธารรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมันเป็นส่วนโลกุตตระธรรมอยู่เหนือโลก มันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บาเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนาตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริงอัาตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็นกลางล้วนๆแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลก อย่างธรรมดาธรรมดานี่หรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่อัตราตัวตนมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกเพราะโลกีจะท ร, ร ม, มีสมมติบัญญัติผู้หญิงผู้ชายจะปรากฏขึ้นดีชั่วปรากฏขึ้นของเราของเขาปรากฏขึ้นพวกเราพวกเขาปรากฏขึ้นตามวิสัยของสังคม พระพุทธเจ้าแม้ว่าภูมิจิตของพระองค์จะอยู่เหนือโลกแต่พระองค์ก็ยอมรับความเป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมภาษาธรรมะที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นภาษาของโลกแต่เมื่อพระพุทธเจ้ารู้รู้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสิ่งนั้นอยู่เหนือโลกเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว แต่เมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์จะเอาธารรมะที่รู้มาแสดงให้คนฟังก็ต้องเอาธารรมะที่รู้มาบัญญัติตามภาษาของโลกสิ่งนี้โลกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้โลกเขาเรียกว่าสติอันนี้โลกเขาเรียกว่าสมาธิอันนี้โลกเขาเรียกว่าปัญญาอันนี้โลกเขาเรียกว่าโพชฌงหรืออะไรก็แล้วแต่ตามคมภีร์ที่ท่านจารึกเอาไว้ อันนั้นเป็นภาษาที่มาบัญญัติเอาใหม่เพื่อจะคุยกับชาวโลกให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองในการศึกษาธรรมะนี่เราต้องเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนที่เป็นอัตตามีตัวมีตนคือโลกียธรรมส่วนที่เป็นอนัตตาคือโลกุตตะธรมรมที่อยู่เหนือโลกไม่มีสมมติบัญญัติ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงรับสั่งถามว่าธรรมะที่เกิดกับติดผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จกักเธอธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมอันนี้ก็แสดงว่าพระไทยของพระองค์ได้สัมผัสกับธรรมะส่วนละเอียดแล้วพระดำรัสถามประโยคนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่เคยสัมผัส จะไม่มีปัญญาตอบได้เลยเพราะมันเป็นคำถามที่ที่ไม่ค่อยจะมีใครถามบ่อยนักในเท่าที่อาตมาได้ศึกษาอะไรปฏิบัติทรมาแล้วก็สอนทำเอบรรดาญาติโยมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้ โดยธรรมชาติของจิตที่บรรลุถึงทำขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัญญัตินั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันแม้แต่ปสมมัทศนาคือธรรมจักกปะปวัตตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพออย่างกินจิตสมุทัยธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อเนี่ยอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศสามกันรรมาจากอัปวัตนสูตรเป็นอุบายปลูกฝังจิตใจและความรู้สึกของผู้ฝังให้อย่างซึ่งถึงแก่นแห่งคุ ณ, ณธรรมเพียงแต่เกิดความเลื่อมใส ย, ยิ่งในคุ ณ, ณธรรมเท่านั้น ทีนี้อนัตตลัคณาสูตรสอนให้รู้จักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อาทิตตปริยายสูตรขอสอนให้รู้จักโทษของกิเลสราคาขิโทสคิโมหขิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามกองนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตา ได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าลาคะเกิดความยินไายเรียกว่าโทสะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณและโทษของกิเลสอนัตตลกนสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวะธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา เราจะศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในพระสูตรสามสามสูตรนี่พอแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของกายที่นั่งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นมาถ้ารู้สึกเจ็บปวดหรือชาขึ้นมาแล้วเราหยุดเปลี่ยนอิริยาบถสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดจิตอย่างเดียว เดินเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอริยาบทเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยซึ่งผู้เรียนมาทางฝ่ายหมอยอมเข้าใจอยู่แล้วแล้วทีนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ e ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตอย่างเดียวการเดินเดินนั่งนอนเราแสดงท่าประกอบเท่านั้น นั่งขัดสมาธิก็เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าเดินสมาธิยืนจงอ่ายืนกำหนดจิตเรียกว่ายืนทำสมาธินอนกำหนดจิตเรียกว่านอนทำสมาธิถ้าพยายามทำสมาธิในท่านอนมากๆได้ยิ่งเป็นการดีถ้าท่านผู้ใดกำหนดจิตทำสมาธิในเวลานอนได้ นอนลงไปแล้วกําหนดจิตพิจารณาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราจะยกมาเป็นเครื่องพิจรารณาพิจารณาไปจนกระทั่งนอนหลับพอหลับแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับกายเราก็จะเบาจิตเราก็จะเบาเป็นการพักผ่อนอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดแต่ความรู้สึกนั้นอาจจะเนึกว่าคืนนี้เราน อ, นอนไม่หลับทั้งคืน พอจิตมันตื่นสมาธิคือการนอนหลับอาการที่จิตเก้าวลงสู่สมาธิในขั้นแรกคือการนอนหลับพอนอนหลับสนิทแล้วสติมันตื่นขึ้นภายในกลายเป็นสมาธิการทำสมาธิในเวลานอนนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าในขณะที่นั่งพยายามทำทำทาบ่อย ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธและพิจารณาอะไรก็าตามมันช่วยให้เรานอนหลับเร็วขึ้นในเมื่อหลับเร็วขึ้นเราก็ทํากันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันชำนิชำนาญแล้วภายหลังความหลับมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองอยู่ที่การพยายามอย่างเดียววิธีทําสมาธิดังที่อาตมาได้เสนอนะไปเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วสําหรับ ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ท่านตั้งใจทำจริงในที่นี่ในโรงพยาบาลนี่ก็มีท่านบางท่านไปเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านภาวนาพรโทรพรโทรยบหนอพองหนอสัมมา阿拉หังมันก็ไม่ได้ผลภายหลังท่านมาเปลี่ยนเป็นว่าวิตกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจรารณาแม้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็ตาม ท่านสามารถทำจิตให้สงบมีปีติมีความสุขขึ้นมาได้แล้วภายหลังก็ไปถามพระไปถามพระภวนาพุโทโธท่านก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอัตมานี่ถึงจะถูกไปถามยบหนอเป่าหนากอก็อ้ยอันั้นมันทางโคง้งมันไม่ตรงของอัตมานี่สำเร็จเร็วไปถามที่สัมมา阿拉หัง ก็ไปแนะนำให้ติดสร้างดวงแก้วดวงแหวนพร้อมก็ทำไม่ได้แล้วมันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระจริงรู้ไม่เหมือนกันท่านผู้นั้นไปถามว่าทำไมพระจริงรู้ไม่เหมือนกันในเมื่อทมสมาธิเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแล้วพระรู้แตกต่างกันก็แสดงว่าธรรมะไม่จริงสิสมาธิก็ไม่จริงคนปฏิบัติจริงรู้ต่างกันเห็นต่างกัน หลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรก็เลยตอบท่านผู้นั่นไปว่าพระที่ท่านไปถามนั้นภาวนาไม่เป็นเราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปท่านไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วสมาธิของท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดนักสังคมนักธุรกิจนักการงานนักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติได้อย่างท่านเนี่ยวิเศษที่สุดเลย สมาธิอันนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การสร้างโลกให้เจริญไอพวกที่นั่งหลับตาไม่เอาไหนมองมาข้างนอกมีแต่อุปสรรคขัดขวางนั่นหลยสมาธิแบบนั้นจะทําให้โลกเสื่อมอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยวิชาที่เรียนมาอะไรก็ได้วิชาพแพบาลวิชาแพทย์ใครเคยผ่าตัดวิจัยร่างกายของซากศพอะไรต่างๆเนี่ย เอาสิ่งนั้นับมาพิจารณาถ้าพิจารณาเรื่องของกายก็เรียกว่ากายคตาสติพระเจ้าพระสงฆ์ท่านว่าพิจารณาเออหัตยังหัวใจอะไรปรภัสสังปอดมุนิท่านไม่ได้รู้ได้เห็นอย่างพวกท่านหรอกพวกท่านเป็นคุณหมอนี่เอาหัวใจเอาปอดเอาตับไตไส้พุงมาผ่ามาวิจัยกันจนกระทั่งว่าเส้นเล็กเส้นน้อยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านรู้ละเอียดกว่าพระ แม้จะลับตาปั๊บลงไปเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นแล้วสิ่งใดที่มองเห็นแล้วก็เพงจิตมองดูพิจารณาในสิ่งนั้นให้มันละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตมันคล่องต่อการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลขึ้นมาเองไอเรื่องธรรมะที่ท่านเขียนไว้ในพระพิธรรมว่าจิตร้อยยี่สิบจิตแปดสิบเก้าวงร้อยี่สิบเอ็ดดวง โลผ้ามูลแปดโทรสระมูลสองโมหะมูลสองอะไรมูนี่อย่าไปไล่อย่าไปนับมันเอากันได้เพียงแค่ว่าอารมณ์รูปมันผ่านเข้ามาทางตานี่เราจะไม่ให้รูปขบฏขยี้หัวใจเราได้อย่างไรเสียงที่มาในหูนี่เราจะป้องกันอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นโจรขโมยความปกติของจิตของเราได้เอากันที่ตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีชื่ออะไรก็ช่าง แก้ไขปัญหาหัวใจของเราให้มีความสุขความสบายจะทํางานได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการรู้ที่จะไปนับอันนั้นมีเท่านั้นอันนี้มีเท่านี้เออถ้าอย่างมีอาชีพเทศกินเครื่องกันอย่างอัตตาฟที่จะไปท่องหน่อยอยากพวกท่านที่จะไปสนใจเลยเอากันแต่เพียงว่าให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในก็ใช่ได้แล้ว ปัญหาต่อไปที่ทำสมาธิแล้วต้องทำงานในโลกได้แต่ขณะกำลังศึกษาอยู่นั้นถ้ามีโอกาสได้วิเวกโดยละการงานทั่วคราวจะทำให้ศึกษาได้ผลเร็วขึ้นกว่าการศึกษาไปทำงานในข้อนี้จริงหรือไม่อันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องในสมัยที่เป็นนักเรียน ทำสมาธิในขณะที่เป็นนักเรียนพอเลิกจากโรงเรียนแล้วเวลาทําสมาธิไหว้พระสวดมนต์เสร็จไม่ได้บริกรรมภาวนาอย่างที่ว่าเอาบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาในวันนั้นมาคิดมาพิจรารณาทีนี้ถ้าสิ่งใดที่เราคิดไม่ออกเราก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็คิดอันใหม่ต่อไป ตัตาบาเคยปฏิบัติแบบนี้ในขณะที่ศึกษาอยู่แล้วก็บางครั้งสามารถที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันเป็นสมาธิได้จนขนาดที่ว่าก่อนหน้าวันจะสอบเกิดนิมิตขึ้นมาได้เห็นได้รู้ข้อสอบขึ้นมาตอนสอบประเรียนประโยคสามเนี่ยได้ข้อสอบชาคือวิชาแปลหละวิชาสัมพันธ์เพราะอาศัยการทำสมาธิ ที่นี้การทําทสมาธิในขณะที่ศึกษาอยู่นี่เราก็เอาหลักวิชาการของเรานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเช่นอย่างสมมติว่าเราจะเรียนวิชาอะไรในวันนี้พอเลิกจากโรงเรียนมาแล้วเวลาเราหาที่สงบเวลาค่ำคืนมาหลังจากอา่านหนังสือดูหนังสือแล้วหรือเราจะเอาเรื่องที่เราอา่านหนังสือดูหนังสือในวันนั้น มากำหนดคิดพิจารณาตามที่เราได้อ่านได้เรียนมาเอาหลักวิชาการของเรามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกันได้ผลดีถ้าหากว่าถือโอกาสเวลาว่างๆจากการเรียนเช่นโรงเรียนปิดเทมอมจะถือโอกาสไปบวชหรือว่าจะไม่บวชก็ตามไปหาที่สงบไปเวกที่มีครูบาอาจารย์แนะนํา จะไปบาเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลดีขึ้นถ้าจริงอะไรนี่ทางราชการควรจะให้ข้าราชการเพิ่มปฏิบัติธรรมมีโอกาสลาราชการสักหนึ่งปีสองปีไปปฏิบัติจริงๆ จ, จนได้ผล ระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับมาสังคมหลวงพ่อจะเห็นด้วยไหมอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในสังคมก็เอาสังคมนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเราจะพิจารณาสังคมในแง่พระใจรักเกือนิจังทุกขังอนัตตาเราก็มีสิ่งที่จะพิจารณากันได้ตลอด แม้แต่เพื่อนฝูงในสังคมของเราแสดงกิริยามารยาทคาพูดคำจาอะไรต่างๆออกมาคนละรูปแบบซึ่งไม่ตรงกันมันก็จนกระทั่งนิสัยใจคอที่แสดงออกมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังไม่เที่ยงบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรไม่สมหรือสง ม, มันก็มันก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกัน เรากําหนดเอาสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ของกรรมฐานให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการปรากฏขึ้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องหลายสลายตัวแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วเราจเจริญเติบโตมาจนกระทั่งแกทั้งเท่าชราแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวคือตายไป กำหนดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานอย่าไปถึงกับขนาดทิ้งการทิ้งงานเลยขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการปร่งอายุสังขารของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านปรงอายุสังขารของท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้สมพระอริยเจ้า คือท่านปลงหมดแล้วปลงก็คือปล่อยวางปล่อยวางความถือว่ากายทั้งสิ้นเป็นตัวเป็นตนสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนอะไรทําลองนี้แต่การปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าตามคําถามนี้หมายถึงการที่พระอริยเจ้าท่านกาหนดพิจารณาดูความสิ้นแห่งอายุขของท่าน ว่าท่านจะมีชีวิตไปถึงวันไหนเวลาไหนแล้วท่านก็ประกาศออกมาว่าเราจะถึงกาหนดเวลาที่จะสิ้นแล้วบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าวันนั้นเวลาเท่านั้นเราก็จะไปแล้วอะไรทับนองนี่อย่างมีเพื่อนสหธรร ม, มิกรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่ง เมื่อก่อนนี่เคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัพพทุมชื่อสามเณรประไมเวลาท่านจะสิ้นใจท่านบอกว่าให้คอยดูเข็มนาฬิกานะถ้าเข็มนาฬิกามาถึงเลขตัวนี้ผมจะไปแล้วทีนี้เพื่อนฝูงก็นั่งจ้องคอยสังเกตตูอยู่พอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้พับเนนประไมก็ขาดใจพอดี อันนี้คือการลักษณะของการปลงอายุสังขารคือกาหนดเวลาตายนั่นเองอันนี้ปัญหานี่ <c oughs> อีกปัญหาหนึ่งในทราบว่าพระกุศเจ้าอยู่วัดปทุมวนารามผมได้มีหนังสือธรรมานุวัตเนี่ยสามเณรประ迈เนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือธรรมานุวัตกับาศาสนาวิถีของท่านสามเณรศรีลาประยกาละเนธ เข้าใจว่าพระเดชพระคุณคงจะรู้จักขอถามว่าหนังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมอ่านังสือไอ้นังสือสาศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็นแต่เคยได้อ่านหนังสือธรรมารุวัตและอัตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติให้เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดสําหรับหนังสือเล่มนี้ นี่ตูมันที่ปหามประกวดคงจะมีตอนหลังๆนี่เขาก็พิมพ์ขายจำหน่ายกันอยู่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีปัญหาต่อไปในการพูดความจริงแต่เป็นเรื่องการประพฤติไม่ดีของผู้อื่นโดยกล่าวลับหลังถือว่าเป็นพวกวาจาหรือไม่อันนี้ได้ในคำว่า ปสุนวาจาสอเสียดยุยงเราพูดความจริงแต่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดและแตกสามัคคีกันถือว่าเป็นวจีทุจริตแม้จะเป็นความจริงก็ตามความจริงบางอย่างถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรพูดก็อย่าพูดถ้าพูดไปแล้วจะทําให้เขาทะเลาะกันเป็นเป็น เป็นวัจีเป็นวัจีทุจริตเป็นการส่อเสียดยุยงสองการฝึกสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวหรือไม่ไม่จำเป็นนอกจากเราจะทำเป็นวิธีการเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธธรรมประสงค์ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถ้าเรานอนสมาธิก่อนจะหลับโดยทำให้เราหลับง่ายเข้าถือเป็นสมาธิหรือไม่ถือเป็นสมาธิห เ, าธเหมือนกัน อันนี้นดีที่สุดถ้าฝึกทำสมาธิเวลานอนถ้านอนหลับลงไปแล้วจิตเกิดเป็นสมาธิในเวลานอนสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตจะดีมากขึ้นข้อสามถ้าไม่ทำบุญตักบาตรบ่อยๆไม่ฟังธรรมแต่เรามีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือผู้อื่นและทำใจให้สงบได้ถือเป็นการทำบุญด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการถือเป็นการทาดี การทําบุญตักบาตรบ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆเป็นการฝึกนิสัยของเราให้เกิดมีใจบุญใจกุศลใจศรัทธาแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาและมีจิตเป็นใจอ่มีใจเป็นใจบุญอยู่แล้วเราจะทําบุญตักบาตรฟังธรรมตามโอกาสที่เราสามารถจะทําได้ก็ได้ไม่ไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องทํา แต่ทําได้เป็นการดีเป็นเพิ่มการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลทําใจให้สงบได้ถ้าทําใจให้สงบได้มันก็เป็นยอดบุญแล้วปัญหาต่อไปขณะนั่งสมาธิมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือนึกคิดขึ้นเองเช่นครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิมีคนรู้ จากที่ตายไปแล้วมาปรากฏทั้งเคยนึกถึงเขามาก่อนอยากทราบว่าภาพนี้เป็นจริงหรือไม่ถ้าจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพนี้เป็นทั้งเป็นทั้งจริงแหละไม่จริงถ้าหากว่านิมิตนั้นในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องความจริงแต่ถ้านิมิตเกิดขึ้นแล้วมันไม่จริงก็ไม่จริง อันนี้สุดแท้แต่จิตของเราจะปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาถ้าหากว่าจิตของเรามีความมั่นคงเพียงพอมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนิมิตที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นความจริงแต่ส่วนมากภาพนิมิตในขั้นต้นๆ น, นี่มันจะเกิดขึ้นในระยะที่ เราบริกรรมภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันเคลิ้มเคลิมเกิดสว่างจิตมันลอยแคว้คงฟ้างสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์พอกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาอันนี้ให้ทําความเข้าใจว่าเป็นมโนภาพเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งสําคัญมั่นหมายว่าเป็นความจริงเธอว่าเป็นเครื่องลูลของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์อันหนึ่ง เราอาจจะกำหนดรูภาพนิมิตนั้นเอาเป็นเครื่องรูของจิตเครื่องระลึกของสติแล้วภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงให้เรารู้เห็นในแง่กรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นต้นก็ได้ปัญหาต่อไปดิฉันเคยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งสถานที่ของเขาสะอาดมากผู้ที่ไป จะพยายามช่วยกันทำความสะอาดอย่างดีทั้งงที่สะอาดอยู่แล้วก็ยังช่วยกันทำอยู่อีกทั้งนี้เพราะเขาสอนว่าการช่วยกันทำความสะอาดนั้นเป็นการรับใช้พระได้บุญมากการทำความสะอาดเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งเช่นอย่างพระสงฆ์ต้องมีการทำความสะอาดวัด อย่างที่วัดพอบ่ายสามโมงก็ถือไม่กวาดคนละอันละอันกวาดทุกวันทุกวันแม้ว่าวัดมันจะสะอาดอยู่ก็ต้องกวาดกวาดเป็นกิจวัตรประจําวันถือเป็นการชําระชำระศีษของตนเองให้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งประกอบกับการปฏิบัติแล้วเป็นการออกกําลังกายไปในตัวข้อสองทางฝ่ายพจน์ของเราไม่ทราบว่ามีสอนไว้แบบนี้หรือไม่ ในฉันอยากให้วัดของเราสะอาดกว่านี้โดยทั่วไปอันนี้เป็นข้อวัดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยตรงวัดที่จะเพึงปฏิบัติมีอาจาริยวัดออปชาญวัดอารามิกวัดหมายถึงทําความสะอาดแล้วก็พัดตักขวัดความทาความสะอาดโรงฉันเวจกกตีวัด ทำความสะอาดในส้วมในฐานสมัยพุทธกาลนี่ส้วมของพระฐานของพระพุทธเจ้านี่สามเณรหุนไปรักษาความสะอาดเท็จถูอย่างดีแล้วก็เอาดอกไม้ไปโปรยเอาไว้อันอันนี้เป็นหน้าที่เรื่องเรื่องการบริหารกายการทำความสะอาดสถานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดละอ่อทีเดียวถ้าหาก เราจะพิจารณาถึงหลักรักษาสุขภาพอนาัยในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้อย่างละเอียดแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านศึกษาวินัยเพียงแค่ว่าทาอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนั้นวัตถุประสงค์ของการาบัญญัติวินัยข้อนั้นๆั้น่ะท่านไม่ค่อยจะได้คํานึงถึงเช่นอย่างท่านสอนว่าพระภิกษุเข้าไปทาจิตในในในในสวบ พอเสร็จแล้วต้องล้างด้วยน้ําก่อนที่จะเข้าไปในให้กวาดเสีก่อนทําไมจึงให้กวาดเสก่อนที่ให้กวาดเสียก่อนนั่นก็เพเป็นการตรวจตาดูว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษมีอะไรอยู่ในนั่นด้วยหรืออาจจะมีเศษไม้เศษไร่ที่จะปักตําเอาทีนี้พอ ท, ทําธุรกิจเสร็จแล้วเช็ดแล้วก็ล้างด้วยน้ําล้างด้วยน้ําเสร็จแล้วต้องเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง ถ้ายังปล่อยให้น้ำเหลือติดอยู่ต้องอบัิทุกกฎทุกหยดน้ำท่านสอนไว้อย่างนี้ที่นี้ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยพวกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภาชนะที่ใส่น้ำฉันข้าวเวลาเช้าเนี่ยต้องล้างต้องขัดให้สะอาดจนหมดกลิ่นข่าวกลิ่นอาหารติดอยู่ไม่ได้แต่พระภิกษุส่วนมากท่านจะเข้าใจว่า การรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดตู่เมื่อไปใส่น้ำฉันตอนบ่ายจะไม่เป็นอาบัตปาจิตตีเพราะวิกาลโพชนะท่านเข้าใจกันอย่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นเพื่อชำระสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกโสโครกหมักหมมไว้นานมันอาจจะเกิดบูดเนา่าพอใส่น้ำดื่มลงไปทำให้ท้องเสียเกิดโรคไข้ไข้เจ็บเอาข้อต่อไป โลกกับเพื่อป้ายอริยะอยู่พระอริยะอยู่บ่อยๆและพระอริยะหลายองค์ถามลูกถึงการการไม่เรียนปฏิบัติการไปเรียนปฏิบัติธรรมมาจากที่ไหนทั้งๆที่โลกกับพระอริยะไม่รู้จักกันมาก่อนลโลกสงสัยว่าท่านทราบได้อย่างไรและโลกก็อ่านไม่อ่า น, านไม่ค่อยออกและทําไมท่าน ท่านถึงถามคนอื่นอท่านจึงไม่ถามคนอื่นอื่นอันนี้จะว่าท่านรู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่เถิงอย่างบางทีอาตมาเวลามีคนไปล่งถามปัญหามากๆาที่เกียร์รอให้เขาตอบที่เกียร์รอให้เขาถามก็อธิบายโปรดปรูงบทไปจนจบเรื่องพอเสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีก ก็ก็บว่าหลวงพ่อแก้ไปหมดแล้วหลวงพ่อช่างรู้จิตรู้ใจแต่ความจริงไม่รู้หรอกปัญหาเรื่องจิตใจนี่มันปัญหาเกี่ยวกับโภูมิจิตภูมิใจนี่มันเชื่อมโยงกันเหมือนดุกโซพูดไปตรงไหนมันก็ตรงไปหมดที่ว่าพระอริยะท่านรู้ได้อย่างไรอันนี้มันมันใกล้ๆ ก, กับว่ามีความรู้สึกชนิดหนึ่งไปเตือ น, นท่านให้ท่านอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ความจริงโดยตรงโดยทางตรงแล้วท่านไม่รู้หรอก อ่าปัญหาต่อไปฝึกสมาธิอยู่สองปีนิสัยก็เปลี่ยนเคยชอบอยู่ลำพังอ่านหนังสือธรรมะอาการอย่างนี้คือกำลังจะเป็นบ้าชใช่ไหมการทำสมาธิในขั้นต้นๆในเมื่อเจ็ดรู้สึกสงบลงไปบ้างจิดมันติดความสงบมันชอบจะอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้ไม่ ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กําลังจะเป็นบ้าหรอกเป็นธรรมชาติของจิตสงบมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในตอนตอน้ตนๆนี่มันสงบแล้วมันจะจ้องเข้ามาภายในตัวนี่มันไม่ออกไปข้างนอกตอนนี้มันยังไม่มีปัญญาแตกฉานต่อเมื่อมันมีปัญญาแตกฉานรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันจะออกไปมองอยู่ข้างนอกเรื่องของข้างนอกนี่จิต ในขั้นวิปัสนากรรมาฐานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้วุ่นวายมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทําให้จิตรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นในขั้นนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ซะก่อนจิตสติสัมปชัญญะ เจตคือตัวรู้สึกรู้เนื้รู้จิตไม่รู้จกักดีจากชั่วสติเป็นเครื่องสติคือคุณชาติที่ระลึกคือความตั้งใจในเมื่อตั้งใจแล้วมีความรู้พร้อมความรู้พร้อมนั่นเป็นลักษณะของสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะบวกกันเข้าเมื่อเกิดมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วกลายเป็นปัญญาเมื่อเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เกิดภูมิความรู้ขึ้นมา ทีนี้ปัญญาภูมิความรู้นี่เป็นเหตุให้เกิดวิชาถ้าเกิดวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ข้อเท็จจริงในความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิชาอย่างในธรรมจักปรปวัตตนสูตรในเมื่อเจ็ดอยางรู้ถึงธรรมแล้วจากคุ้งอุตตปาฏิจากปุบังเกิดขึ้นในเมื่อจากโซบังเกิดขึ้นยานังอุทตปาฏิยานอย่างรู้ก็เกิดขึ้น ในวิญญาณอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทปาธิปัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้ปัญญาคือความรู้นี่มันไม่มีขอบเขตมันรู้มากๆทีนี้ความรู้ทันความรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้นั้นตามข้อเท็จจริงเรียกว่าวิชาในเมื่อวิชาบางเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาธิจิตเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเบิกบานอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบ อาโลโกอุทปาที่ความสว่างสวัยบังเกิดขึ้นอันนี้ตามหลักของธรรมจักรกับปรวัตนาสูตรปัญหาต่อไปถ้าหากบวชใจทำแต่ความดีละความทั่วอย่างนี้จะถึงนิพพานได้หรือไม่ผู้ชายถ้าไม่ได้บวชพระเลยจะเป็นอย่างไรการทำความดีละชั่วทำดี เพียงแต่ละชั่วทำดีชั่วดีนี่มันมีหลายขั้นตอน